พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบก้ากันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าพวกเรา คณะสงฆ์พึ่งลงอุโบสถจบลงสักครูน่นี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ในเขตพรรษาพวกเราเข้าพรรษามาสองเดือนเต็มยังอีกหนึ่งเดือนที่จะไม่ออกจะออกพรรษาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกองค์ให้ทบทวนดูว่า ที่พวกเราผ่านพรรษามาสองเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็พวกเราได้ทำภาวนาเต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไยในการศึกษาไม่ไยในการเรียนรู้ถึงผมจะให้แนวความคิดไปเสร็จแล้วก็คงจะไปนอนเอกขนก ไม่ได้นาไปปฏิบัติมันก็เท่านั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเองไม่ใช่ว่ารับหมูมาแล้วก็เพื่อต้องการหมูคณะกมากๆผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าว่าหมูมากก็จริงอยู่มากขี้ควายหลายขี้ช้างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันทานับมากเข้ามาแล้วก็แน่น ในเรื่องจิตภาวนาใยในการจิตภาวนาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนผมได้ยินแล้วก็คล้ายๆกัภาคภูมิใจในการปฏิบัติแต่ทางนี้ทางนั้นผมก็ได้ยินพระหมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาบวชใหม่ ก็มาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังผมได้ยินผมก็ปลื้มใจลึกๆเหมือนกันเพราะว่าที่เราแนะนำสั่งสอนและบอกกล่าวหรือ น, นำรับหมู่เข้ามาภาวนาและมาปฏิบัติธรรมก็ไม่เปล่าประโยชน์เกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างน้อยก็ได้รับได้รับความสงบทางด้านจิตใจต่อไปภายภาคหน้าก็จะ นำเรื่องจิตภาวนาหรือว่าความในการประพฤติปฏิบัติของตนได้ก็จะได้ถ่ายทอดหรือขยายผลให้กับพวกน้องๆหรือวนรุ่นหลังต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะยางอีกเดือนหนึ่งจากนี้ไปในเดือนหนึ่งนี่แหละพวกท่านทั้งหลายอย่าชะล่าใจ อย่าอย่าไปจับกลุ่มคุยกันมากจนเกินไปเพราะผมเคยเห็นนวกะหรือกว่าพระใหม่ที่เขามาบวชพอเดือนแรกก็รู้สึกว่าตั้งใจเพราะว่ายังตั้งหลักยังไม่ได้พอเดือนที่สองแล้วก็ตั้งหลักพอตั้งหลักได้พอเดือนที่สามแล้วก็นมองอนาคตว่าจะไปยังไงผลในสุดจับกลุ่มคุยกันเท่เนี่ แปลว่าจิตออกนอกรูกนอกทางเพอเผลอออกไปอย่างมากๆอีกต่างหากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้คํานี้เ พ, เพราะผมเคยเห็นมามากต่อมากให้พวกท่านทั้งหลายถึงยังไงเราเป็นพระเรามีโอกาสได้จะออกไปสู่ฆราวาส ต, ต่อไปภายภาคหน้านั้นมันมีเรื่องมันมากอยู่แล้ว ในขณะที่เรามาอยู่สามเดือนเนี่ยควรจะให้เป็นสามเดือนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสมเดือนด้วยหลักพระธรรมวินยัยสมเดือนด้วยหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งสอนให้ศึกษาให้จริงจังและจริงใจในสามเดือนออกจากนี้ไปแล้วมันไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาปฏิบัติอย่างนี้ได้อีกแล้วในขณะที่เราอยู่อย่างนี้เราก็ควรจะตั้งอกตั้งใจเพื่ปฏิบัติให้จริงจังและจริงใจอย่างที่ผมได้พูดการที่จะทำสิ่งไหนให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นพูด ง, ง่ายง่ายคำว่าอธิษฐานคำนี้ก็เหมือนกับเราอธิษฐานแบบ เลื่อนเลื่อนลอย ล, อ ย, ลอยเลอะเอเทอะเไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานคำนี้คือว่าตั้งใจมั่นตั้งใจให้มั่นคงในขณะที่เราจะนั่งภาวนาข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาวันนี้สามชั่วโมงเนี่ยตั้งใจมัน่นอธิษฐานน่ะอธิษฐานจิตถ้าเราไม่อธิษฐานาจิตใจของเราเนี่ย น, นั่งไปกเออละเหยลอยลงไปเลย เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนั่งได้หนาทีสิบนาทีสองสานาทีาพระท่านสูงก็เลยหากฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ถ้าพวกเรานั่งภาวนาตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ผมได้พูดเข้าเน้ก็ตั้งอธิษฐานจิตอธิษฐานอย่างนี้ต่อไปก็ตั้งจิตอธิษฐานอีกต่อไปหลายข้างต่อหลายหนมเีเรามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมีความตั้งใจมีความตั้งใจมั่น ด้วยความใส่ใจผมมั่นใจว่าพวกเราก็คงได้ลิ้มรสทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยไม่เปล่าประโยชน์ที่พวกเราบวชมาสามเดือนคงจะได้ริ้มรสสมาธิเป็นอย่างไรพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆองนะพานากามาอยู่ด้วยกัน ให้รักกันเหมือนพี่น้องมีอะไรเมตตาเออเพื้อเอ อ, อารีต่อกันอย่ามีปัญหาอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาเพราะเราอยู่มาอยู่เพียงแค่นี้เรามาปฏิบัติธรรมอีกต่างหากทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่าพระเก่าเห็นพระใหมก่ก็เหมือนกับน้องๆที่เข้ามาใหม่มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน มีอะไรขาดโหลขาดเหลือขาดตกกระดูแลกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันมองกันเมตหมีเมตตามีจิตเมตตาต่อกันนี่แหละแต่เรื่องจิตตภาวนาอย่าให้ขาดตกปกพ้องแต่เรื่องหลักพระธรรมวินัยก็เหมือนกันที่เราฟังพวกเราวังจบโปรงสักครู่นี้กันนี่ก็คือศินละวินัยศินสองรี่สิบของพระที่สวดทุกกึ่งเดือน เราสวดพระปฏิโมกถึงเราจะฟังไม่ออกเพราะเป็นภาษาบาลีแต่เราก็มีหนังสือที่จะแปลเป็นในพระปฏิโมกขข้างหนึ่งอัดข้างหนึ่งแปลเราก็พอที่จะศึกษาได้แต่พอเราฟังการแปลแล้วเรายังไม่เข้าใจชัดหนังสือนวโกวัตก็อ่านอีกจะชัดขึ้น ในสิกขาบทเก่านั่นแหะในข้อเก่านั่นแหละจากนั้นถ้าว่าไม่ชัดยังไม่เข้าใจเราก็ไปอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งท่านจะอธิบายขยายผลให้เข้าใจอีกแต่ถ้าว่าเรายังไม่เข้าใจชัดเราก็ไปค้ น, คนพระไตรปิฎกว่าสิกขาบทที่หนึ่งของสังฆาทิเศษนี่ไข่เป็นมาอย่างไงมันมีอยู่แล้ว พระพเจ้าบัญญัติที่ไหนองค์ไหนเป็นผู้กระทําผิดมีกระทําผิดมีกี่มาตรามีกี่เรื่องมีกี่เรามีกี่องค์ในสิกขาบทนี้เราจะรู้ต้นตอของพระพี่นายที่เป็นมาชัดเจนเลยในพระไตรปิฎกเพราะนั้นแต่เราพวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวชสามเดือนผมเองก็ไม่อยากจะให้ค้นคว้าขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าฟัง ครูบาอาจารย์อย่างผมหรือว่าหมู่พวกเพื่อนแนะนาบอกจะไปทําล้อันนี้มันผิดเพียงแค่นั้นเราก็ศึกษาแล้วจากนั้นเราก็หนักไปในทางปฏิบัติผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนภาวนามากกว่าเพราะว่าภาวนาเป็นหลักของจิตใจถ้าว่าเรามาบวชแล้วก็มาตั้งหลักได้จิตใจของเรามั่นคงถึงเราจะไปไปเป็นฆราวาส ก็เป็นคารวาสที่มีจิตใจหนักแน่นมีจิตใจมั่นคงมีศีลมีธรรมในจิตในใจแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชกระบวชไปอย่างงั้นแหละให้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพ้อเพไม่เชื่อจะมากกว่าพอเราสึกออกไปก็เลาะแหละแท้เลยโลกเล็กโลเลไปเรลยเขาจะชักจูงไปทางไหนก็ไปแบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เพราะอะไรเพราะไม่เคยสัมผัสไม่เคย มุ่งมั่นไม่เคยตั้งใจในการประพุทธปฏิบัติไม่เคยตั้งใจภาวนาผมเองก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้พวกเราถึงจะืสมเดือนก็เป็นสมเดือนที่มีคุณค่าเป็นสมเดือนที่มีประโยชน์เป็นสมเดือนที่จําไม่ลืมในชีวิตของเราเราเกิดมา4ี่ห้ปีหรือ30 40, 40ปีเนี่ยสมเดือนปีนี้มีประโยชน์สําหรับเรามาก ผมอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ทางว่าทางว่าพวกท่านไม่ตั้งใจนะสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเราติดคุกติดตารางอีกละ่ะเหมือนกันนะทางว่าเราไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขพอเข้ามาแล้วก็มาบวชแล้วก็บวชแต่กายบวชแต่ได้แต่ผ้าเหลืองกับศีสะโลนแล้วกระจูอย่างนี้แต่ใจของเราไม่ได้บวชใจของเราน้มออกไปจูคราวญาญาติโยม ไปเที่ยวไปเล่นไปกินเหล้าเมายาที่ไหนก็ไม่รู้เออล้เหยลอยลมอยู่ต่างประเทศต่างแดนที่ไหนก็ไม่รู้มีแต่บวชแต่ร่างกายใจไม่ได้บวช ด, ด้วยอันนั้นเหมือนกับติดคุกติดตารางเราไม่ได้รับความสงบร่มเย็ยนผาสุขเพราะใจของเราส่งนอกออกนอกนะแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วก็ศึกษาเอาใจเข้ามาบวช ด, ด้วย เอาเถอะคาดอยู่ทางนอกเราก็เคยอยู่มาแล้วสุขทุกยังไงเราก็รู้แก่ใจออกไปก็คงจะเป็นอย่างเก่านั่นแหละแต่เอาเถอะเราเข้ามาศึกษาในคราวนี้เข้ามาศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาเรื่องอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินจริงไหมนั่งสมาธิทุสินั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ข้าพเจ้าจะนั่งสามชั่วโมงและตั้งจิตอธิษฐานสมชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไปทางไหนสชั่วโมงเน่เพราะข้าพเจ้าปล่อยจิตปล่อยใจมานานต่อนานไม่รู้เท่าไหร่สามชั่วโมงนี่บังคับไม่ให้จิตใจสงออกไปข้างนอกให้อยู่กับพุทธโธเท่านั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเท่านั้ น, นยอยากจะให้พวกเราทดลองดูซิ ไม่ใช่ว่าทับังคับทุกวีดทุกวันไม่ใช่ทดลองเป็นบางครั้งแต่ให้จริงจังจริงใจให้ ม, มีความมุ่งมั่นในใจผมคิดว่าอีกสักครั้งหนึ่งวาระหนึ่งใจของพวกท่านก็จะได้รับความสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วใจร่มเย็นเป็นสุขแล้วในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทว่าณทิสันติรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะจําไม่ลืมโอ้ข้าพระเจ้าบวทมาสามเดือนมีคุณค่าจริงเพราะเราขุดจริงแต่ก่อนปราดบัณฑิตทั้งหลายในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้แล้วทําปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะพวกท่านจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาบอกเออใช่ที่พระพุทธเจ้าตัดไว้น่ยถูกต้องข้าไปเจ้าปฏิบัติออได้รับความสุขจริงนวิธีทําทําอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าพวกท่านทาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจอันนี้ท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราจะจริงจังและจริงใจขนาดไหนเท่านั้นแหละทีนี้นะแต่ถ้าเราไม่จริงจังจริงใจก็โลเละ พอจากนั้นก็หลอกหล ก, โ ล, กโลเลไปเรื่อยประประมาณครูบาอาจารย์ประมาตปฏิวัติศาสนาประมาทพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประมาทผู้ที่นับถือพระพุทธาศาสนาถ า, างวางมงายปั้งอพอตัวเองเข้ามาแล้วไม่ได้เลือกงมงายเข้ามาแบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักไม่มีหลักยึดไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เขามาแบบรอๆแล่แห ล, เ ล, เล่เหมือนเขาพาไปขุดทองแอต่ทองอยู่ในพื้นดินจุดนี้น ะ, ะตัวเองก็เอามือควอยหลังเดินไปเดินมาเอาจอบขุดเสียจอกๆแจกๆเดินไปว้าไม่มีทองหรอกอแต่เขาที่ขุดตั้งอกตั้งใจขุดเขาได้เป็นเศรษฐีมามากโตมากนะแต่ตัวเองนะเพราะเหตุอะไรเพราะความขี้เกียจขี้ค้านความหรอแห ล, ะ, ละข้องตนเองก็เป็นอย่างนั้นแ่ะเปรียบเทียบเหมือนกับเราเข้ามาปวดในศาสนา พอเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจตั้งใจแล้วก็จะได้เห็นของจริงความสงบพร้มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจได้อย่างไรนะพระอาจารขอฝากไว้กับพวกพรลูกพระหลานทุกองนะที่พูดทางนี้ทางนั้นสรุปแล้วก็คือให้พวกเราตั้งออกตั้งใจภาวนาให้มีความมุกมั่นเพราะเราบวชเข้ามาสองเดือนเต็มแล้ววันนี้นะยังอีกเดือนหนึ่งนะถ้าเดือนสุดท้ายก็ตีละครังแป้ง หมดยกฮ ะ, ะถ้าว่าจะอยู่ต่อไปองค์ไหนจะอยู่ต่อไปเรศึกษาต่ อ, อแต่ถ้าว่าภาวนาแล้วไม่ได้รับความสงบนุ่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจมันอยู่ไม่ได้ดในศาสนาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่ได้นะมันร้อนยิ่งกว่าไฟถึงจะสนุกสะดวกสบายยังไงก็เถอะมันอยู่ไม่ได้มันร้อนแต่ถ้าหากว่าพวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจิตใจสงบแล้ว ไม่มีอะไรที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศของพระสมณะเพศนี่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นสุขที่สุดะเป็นเพศที่ปล่อยวางเป็นเพศที่รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้ตัวรู้รเรื่องรู้ราวรู้เรื่องต่างๆภายนอกภายในเห็นอะไรยังทุกขังอนัตตาเห็นโลกวัตตะสงสารถึงจะใครจะว่าสุขขนาดไหนก็สุขเถอะอีกสักวันนึงจอดทุกขลาย ข้าพเจ้าก็จอดเหมือนกันแต่เจ้าจอดแบบมีท่ามีทางจอดแบบรู้เท่ารู้ทันดีกว่าจอดไม่เป็นท่าเป็นทางนี่แหละนั่นแหละเรมองตัวตนเองมองเขามองเราอันไหนจอดเป็นท่าอันไหนจอดไม่เป็นท่ า, าะนะพนันขอ่อยพวกเราทุกถูกทันนะให้มองตนเองนะในการภาวนาตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกตินี่นะ